ส2สัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิวงเล็บเปิด1ิ 19. ตุลาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการฟังธรรมนั้นสิ่งที่เราจะได้คือสัมมาทิฐิสั ม, มาทิฐินั่นแหละเป็นตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเกิดสั ม, มาทิฐิขึ้นเมื่อไรสิ่งที่ถูกทำลายไปก็คือมิจฉาทิฐิฉะนั้นเราไม่ได้มุ่งทำลายคนแต่มุ่งทำลายความไม่รู้ความหลงผิดความเข้าใจผิด เราสร้างอะไรขึ้นมาเราสร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกในความเป็นจริงธรรมะก็คือตัวความเป็นจริงนั่นแหละทีนี้ความเป็นจริงนั้นมันกว้างขวางใหญ่โตมากมายท่านจึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนแค่ใบไม้หนึ่งกับมือเท่านั้นแหละใบไม้ในการมือท่านมีแค่สี่ใบเองไม่มีใบที่ห้าหรอกสใบก็คือตัวอริยสัจถ้าเมื่อไหร่เราได้เข้าใจอริยสัจแล้วเรียกว่าเรามีสัมมาทิฏฐิที่แท้ททททจริง ทันทีที่เข้าใจอริยสัจก็จะเกิดสัมมาทิฐิเราก็จะร้างมิจฉาทิฐิไปในฉับพลันนั้นเลยทีนี้เราได้ยินแต่คําว่าสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิมันมีความหมายอะไรสัมมาทิฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งคือรู้ทุกรู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์เป็นอย่างไรข้อที่สองรู้ว่าอะไรคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้หน้าที่ต่อสมุทัย ตัวสมุทัยคือตัวตันหาตัวความอยากตัวความทยานของจิตหน้าที่ต่อมันคือต้องละมันให้ได้ความรู้แจ้งอันที่สาม เ, เรียก oh ว่ารู้นิโรดนิโรดคือน um. ิพพานนิพพานคือความสิ้นตันหาเรียกว่าวิราคะนิพพานคือความสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขานิพพานนั้นพ้นจากขันเรียกว่าวิมุตติหน้าที่ต่อนิพพานคือการเข้าไปรู้แจ้งเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าถึง เรียกว่าสัจิกิริยาสัมมาทิฐิประการที่สก็คือรู้มรรคมรรคมีองค์8ก็จริงนะแต่เวลาลงมือปฏิบัติก็ทําสติปัฏฐานนั่นเองนี่คือสัมมาทิฐิสอันเป็นหลักๆความจริงยังมีอีกสอันอันที่1รู้ความจริงของขันาธาตุอายตนะขันาธาตุอายตนะจริงๆก็คือสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนี่เองรู้ความจริงของกายกับใจในอดีตอันที่สองรู้ความจริงของกายของใจในอนาคต อันที่สรู้ความจริงของกายของใจทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตอันที่สรู้ความจริงว่ากายกับใจนั้นเป็นแค่ธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปะบาทรู้ถึงความไม่มีตัวมีตนรวมแล้วเป็นทั้งหมด8ประการตัวสัมมาทิฐิตัวที่หนึ่งรู้ทุกทุกให้รู้ทุกคือกายกับใจตัวที่สองให้ละสมุทัยคือตัณหา ถ้าใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันตัณหาจะดับไปอันที่สาเรียกว่าแจ่มแจ้งในนิโรธอันที่สี่เจริญมรรคอันที่ห้ารู้ความจริงของกายของใจที่เป็นอดีตอันที่หรู้ส่วนที่เป็นอนาคตอันที่เจรู้ทั้งอดีตและอนาคตอันที่8รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทมิจฉาทิฐิมันก็กลับข้างนั่นเองมิจฉาทิฐิก็คือการไม่รู้ทุกข์ใครบ้างที่เป็นมิจฉาทิฐิ ปุถุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฐินะเพราะฉะนั้นพวกเราจริงๆแล้วยังไม่ได้มีสัมมาทิฐิแท้ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้ดีถ้าพลาดพลั้งเราจะเป็นมิจฉาทิฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฐิ ril, ฝังรากลึกจะกลายเป็นนิยตตมิจฉาทิฐิชาติหน้า Columbus. มันก็เป็นมิจฉาทิฐิอีกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าท่านไม่เห็นอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ากับมิจฉาทิฐิเลยทีนี้มิจฉาทิฐิจะถูกทำลายไปเมื่อสัมมาทิฐิมันเกิด สัมมาทิฐิมันเกิดเพราะเราจเจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจของเราเนืองๆถึงวันหนึง่งเราจะได้สัมมาทิฐิให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งให้รู้นะไม่ใช่ให้คิดเรื่องกายเรื่องใจไม่เพ่งกายเพ่งใจไม่คิดเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจทำได้ไหมสามอย่างเมื่อวานหรือวานซืนก็มีคนมารายงานเห็นวิถีจิตแต่เรียกไม่เป็นเห็นจิตมันทำงานตัวนี้เกิดขึ้นมาทำงานสงทอดให้ตัวนี้ ตัวนี้ส่งทอดให้ตัวนี้ทําไมเขาเห็นได้เขามาถามดิฉันคิดไปเองหรือเปล่าดิฉันมันบ้าไปหรือเปล่าทําไมดิฉันเห็นจิตดวงหนึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับอีกดวงหนึ่งมันรับช่วงอย่างนี้ถ้าเข้าใจการปฏิบัติจะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ภาวนาน่ากลัวในวงเล็บเก่งมากเลยคนไม่รู้เรื่องไม่คิดมากได้ยินซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวก็รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆไม่มีอะไรยากหรอกจริงๆง่ายกว่าที่คิด พอเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราเห็นกายเห็นใจเขาทำงานได้เองทำงานสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันทำงานของมันเองถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมมาทิฐิมาเราจะเห็นเลยตัวกายตัวใจนีน่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์จ็มแจ้งแล้วเราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนี่หัดรู้สึกตัวนะแล้วก็มารู้กายรู้ใจเป็นระยะะไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้ทุกข์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 ในขณะจิตที่รู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้เกิดขึ้นทีเดียวกันนั่นแหละแล้วก็จะละมิจฉาทิฐิที่เหลือด้วยมิจฉาทิฐิที่เหลือความไม่รู้ขันธาตุอายตนะในอดีตพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิชื่อในเครื่องหมายคําพูดอเหตุุกะทิฐิอะเหตุุกะทิฐิคิดว่าที่เราเกิดมาอยู่ตรงนี้ไม่มีเหตุหรอกอยู่ๆมันก็เกิด พ่อแม่ผสมพันธุ์กันมาแล้วมันก็เกิดมาเป็นอย่างนี้นี่พวกนี้ไม่รู้เหตุแต่ถ้าเราภาวนาเราจะเห็นเลยว่ามีความเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ในกายนี้มีกลุ่มของธาตุในกายนี้ทํางานมีสภาวะธรรมเป็นกลุ่มๆในกายนี้ทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆเล็กๆแต่ละกลุ่มเขาเรียกในเครื่องหมายคําพูดกาลาปะ นามธรรมก็เห็นมันทํางานสืบเนื่องกันไปเช่นจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปจะเห็นจิตดวงนี้เกิดขึ้นดับไปดวงนี้รับช่วงรับช่วงรับช่วงรู้เลยว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุถึงจะเกิดหรืออย่างพวกเราภาวนาใช่ไหมแต่เดิมเราไม่รู้หรอกว่าทําไปโกรธเราภาวนามาช่วงหนึ่งเรารู้ว่าโทสะก็มีเหตุให้เกิดเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก่อนโทสะถึงจะเกิดพอเรากระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจราคะก็เกิด ฉะนั้นมันมีเหตุมันถึงเกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้นี่ถ้าเราภาวนาเราก็จะละมิจฉาทิฐิที่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้มิจฉาทิฐิอีกตัวหนึ่งไม่รู้อนาคตก็คิดว่าทุกวันเราอยู่อย่างนี้แต่พอตายไปเราก็หายไปเลยตายแล้วสูญไปเลยอันนี้เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดอุดเฉททิฐิไม่รู้อนาคต ถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันเกิดดับสืบเนื่องเรื่อยๆแม้จะไม่มีร่างกายจิตก็เกิดดับสืบเนื่องได้อีกอาศัยจิตดวงเดียวนี่แหละไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้ทั้งขันห้าเลยฉะนั้นไม่ใช่ตายแล้วศูนย์นะไม่ใช่อุเฉ ท, ทิทิตายแล้วศูนย์มิจฉาทิทิอีกพวกหนึ่งชื่อในเครื่องหมายคพูดนัติกะทิฐิอะไรๆก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มี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 ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่มันไม่ใช่มีอย่างถาวรมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วมันก็ดับไปเห็นไหมเราภาวนาแล้วเราก็ล้างมิจฉาทิฐิได้หลายตัวล้างไปเรื่อยมันก็หมดทุกตัวมิจฉาทิฐิพวกนี้ชื่อนัตถิกะทิฐิอะไรๆก็ไม่มีอีกพวกหนึ่งไม่รู้ขันธาตุอายตนะคือไม่รู้กายรู้ใจที่เป็นอดีตและอนาคตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม บุญการกระทำใดๆนี่ไม่มีความสำคัญหรอกไม่ต้องทำหรอกถ้าสิ่งใดจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถือว่าไม่มีการกระทำอะไรอย่างมนุษย์เรานี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกถูกลิกิจมาหมดแล้วถูกกำหนดมาหมดแล้วมันเป็นไปเองไม่มีเหตุไม่มีผลสุดท้ายก็มองว่าไม่มีการกระทำบุญก็ไม่จริงบาปก็ไม่จริงการกระทาไม่เป็นการกระทาพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อในเครื่องหมายคาพูดอากิริยะทิฏฐิ มิจฉาทิถิอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะตัวสําคัญมากอีกตัวหนึ่งเกิดเพราะไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปปบาทพวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปปบาทแต่จะเห็นท่อนปลายก่อนรู้สึกไหมพอมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดเวทนาพอมีเวทนาขึ้นมากิเลสจะแทรกตามเวทนาเช่นมีสุขเวทนาราคะก็แทรกมีทุก ข, ขเวทนาโทสะก็แทรก มีอาทุกขมสุขะเวทนาโมหะแทรกเลยไม่รู้เรื่องหลงหล ง, ลงเผลอไปพอมีกิเลสขึ้นมานี่ใจจะถูกผลักดันแรงผลักดันนี้เรียกว่าตันหาพอตันหาเกิดแล้วถ้ามีกําลังแรงจิตมันจะกระโดดเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกไหมจิตมันจะกระโดดเข้าไปจับคนที่ภาวนาเห็นตรงนี้เป็นพันๆแล้วไม่ใช่ยากอะไรหรอกจิตกระโดดเข้าไปจับตัวนี้เป็นอุปทานแล้วก็ไม่ใช่จับอย่างเดียวนะจับแล้วก็ขยําด้วย รู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างว่าจิตโดนขยำ่ำมันทํางานทําอย่างไรจะดีทําอย่างไรจะบรรลุมากผลมันหาทางทําตลอดการที่จิตทํางานนั่นแหละเรียกว่าพบเรียกว่ากรรมมาพบมีการทํางานของจิตความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็ผุดขึ้นมามันจะมีตัวเราขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะมีความทุกข์ในจิตในใจนี้เกิดขึ้นในพวกเราภาวนามาช่วงหนึ่งเราจะเห็นเออกระบวนการทํางานมันมีนะ ไม่ใช่มันเกิดลอยๆขึ้นมาสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งถ้าภาวนาวันใดเห็นปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นนะวันนั้นจะเป็นพระาอารหรันต์จำไว้นะเห็นปฏิจจสมุปบาทส่วนท้ายๆดูไปเรื่อยวันหนึ่งจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นวันหนึ่งจะเป็นพระอารหรันต์วันใดที่เห็นวันนั้นจะเป็นพระอารหันต์ ยกเว้นแต่ไปเห็นตอน24นาฬิกาเป้งอีกวิญญาทีหนึ่งอาจจะไม่ทันข้ามวันซะก่อนรวมแล้วไม่เกินสองวันผู้ที่ไม่เห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทจะมีมิจฉาทิฐิชนิดหนึ่งชื่อในเครื่องหมายคำพูดอัตานุทิฏฐิอัตานุทิฏฐิก็คือเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพวกเราทั้งหลายที่ไม่ใช่พระโสดาบันยังมีอัตานุทิฏฐิอยู่เห็นว่าตัวเรามีจริงๆเรารู้สึกไหมในกายในใจนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเดิมเราคนนี้กับเราเย็นนี้พรุ่งนี้ปีหน้าก็เป็นเราคนเดิมเรารู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจที่เขาปรุงแต่งสืบเนื่องกันไปทั้งรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เขาปรุงต่อกันไปเราจะรู้ว่าตัวตนถาวนวรไม่มีหรอกความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นเกิดจากมันหลงไปก่อนแล้วก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาตัวตนจริงๆไม่มี ตอนนี้คนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าตัวตนจริงๆไม่มีมีเป็นพันุ์แล้วนะพวกนี้คือพวกแคนดิเดตวงเล็บเปิดผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นวงเล็บปิดที่จะได้ธรรมะแต่ไม่บอกนะว่าชั่วโมงของการแคนดิเดตนานแค่ไหนไม่ใช่ว่าเอาละว่าฉันเห็นแล้วว่าความเป็นตัวตนเกิดแล้วดับไปเป็นคราวๆเอาละ่ะสบายแล้วหลวงพ่อบอกว่าแคนดิเดตแล้วชาตินี้นอนเล่นๆไปก่อนชาติหน้าก็ลืมเราต้องภาวนา เรารู้สึกกายรู้สึกใจมีสติรู้กายรู้ใจเราจะเห็นเลยตัวตนจริงๆไม่มีหรอกมีแต่กระบวนการทำงานปรุงแต่งความเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆทีนี้การที่เราจเจริญสติปัฏฐานหรือมีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจึงละมิจฉาทิฐิทั้งหมดออกไปแล้วก็ทำให้เกิดสัมมาทิฐิทั้งหมดบางพวกก็อัตตานุทิฏฐิมีตัวมีตนคิดไกลไปในอนาคตอีกว่าตายแล้วก็ยังอยู่อีก นี่เป็นมิจฉาทิฐิอีกพวกหนึ่งชื่อเครื่องหมายคำพูดเปิดสัจสตทิฐิปิดเครื่องหมายคำพูดพวกเราไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อนะหลวงพ่อพูดไว้เพราะบางคนสนใจบางคนเขาเรียนมามากถ้าเราไม่พูดเลยเดี๋ยวเ้าฟังแล้วจะจืดชื่อดไปเราต้องพูดอะไรยากๆบางคนเป็นโรคจิตต้องฟังยากๆฟังง่ายๆไม่ได้ถ้ามันง่ายเกินไปฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือไม่ทําหรอกต้องพูดอะไรที่ซับซ้อนอันนี้แล้วแต่จริตนิสัยแต่จะบอกอย่างหนึ่งว่า ธรรมดาที่สุดดีที่สุดใช้ใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละไปเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไปคอยรู้กายคอยรู้ใจว่าจริงๆกายเป็นอย่างไรจริงๆจิตใจเป็นอย่างไร